อีกอย่างหนึ่งเพื่อให้สัตว์ได้บริโภคและเพื่อคุ้มครองสัตว์จึงสละร่างกายและชีวิตของตนพึงสแสวงหาและพึงนําสิ่งกําจัดความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความมวความกระหายหนาวร้อนและลมแดดเป็นต้นแก่สัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะคิดดูนะว่าเพื่อให้สัตว์ได้บริโภคทํำยังไงก็ต้องได้ปัจจัยสีใช่ไหมบริโภคปัจจัยสี่ เช่นให้้าคแก่สัตว์อื่นได้อย่างไรเนี่ย น, นะเพิ่มพูน อ, อาหารให้เขาได้อย่างไรทาอย่างไรเขาจะมีเครื่องนุ่งห่มทำยังไงเขาจะมีอาหารทาอย่างไรเขาจะมีที่อยู่อาศัทยทำอย่างไรเขาจะไม่เดือดร้อนในเรื่องหยูกยาเป็นต้นทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาใจมุ่งจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขขณะเดียวกันก็คุ้มครองสัตว์ให้พ้นจาก อันตรายเนะี่ยนคุ้มครองว่าทํำยังไงนะชีวิตของเขาจะได้ยืนยาวนานคุ้มครองว่าทําำไงเขาทั้งหลายทรัพย์ทั้งหลายก็ไม่บกพร่องไม่เสียหายไม่เสียทรัพย์ไม่เสียบุตรเสียภริยาไม่เสียศีลเสียธรรมเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่โดยปกติแล้วตั้งอยู่ในความคุ้มครองต่อสัตว์ทั้งหลายขณะเดียว ก, กันก็ถ้าเขาหิวทํำยังไงให้เขาหายหิว น, นะให้ให้เขาอิ่ม น, นะถ้าเขากระหาย ดับกระหายของเขาได้อย่างไรถ้าเขาหนาวทำอย่างไรให้เขาอบอุ่นถ้าเขาร้อนทำอย่างไรให้เขาสงบร่มเย็นถ้ามีลมมาแรงป้องกันลมให้เขาได้อย่างไรถ้าแดดร้อนป้องกันแดดให้เขาอย่างไรแต่ก็ไม่ใช่เป็นลักษณะไปคอยแบบเฉพาะหน้าไม่ใช่แต่เคลื่อนไวจะช่วยให้เขาได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างบริบูรณ์พูนสุขได้อย่างไรโดยการตลอดไปอย่าลืมว่าท่านเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับบุตรของตนเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าบุตรเนี่ยจะช่วยแก่ครั้งคราวก็พอเลยใช่ไหมบอกไม่ก็คือช่วยให้เขาอยู่ดีมีสุขตลอดไปเนี่ยจะทำได้อย่างไรขณะเดียวกันถ้าสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขที่เกิดจากการกำจัดทุกข์ที่กล่าวมาแล้วด้วยตนก็คือทำยังไงอ่ะนะบอกว่าทำยังไงสัตว์จึงจะประสบความสุขถึงตัวเองจะทุกข์บ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็กำจัดความทุกข์เหล่านั้นให้แก่ สัตว์ทั้งหลายอันหนึ่งสัตว์ย่อมได้รับความสุขเพราะตนะด้วยตนเพราะไม่มีความร้อนทางกายและใจ น, นะเขาเช่นสัตว์ทั้งหลายเขาจะมีความสุขในสวนสในปราศาสในสระเป็นต้นและในแนวไพรอันน่ารื่นรมก็ช่วยเหลือทําำไฉสัตว์เหล่านั้นจะได้ความสุขณนะสถานที่เหล่านั้นเหล่านั้นอีกนัยะหนึ่งบอกว่าถ้าเขาฟังมาว่าหรือมีพระพุทธเจ้ามี อนุพุทธเจ้ามีพระประเจกพระพุทธเจ้าและมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในเนคขมมะปฏิบัติย่อมเสวยสุขในฌานสมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันดังนี้ทําความสุขทั้งหมดไปในสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจงโดยในเป็นต้นว่าขอผู้นั้นจงมีความสุขคือหมายคขาว่าเช่นไรว่า อ, อย่างยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเห็น อุบาสิกาทั้งหลายก็เลยคิดว่าเออทำไนเนาะผู้นี้จึงจะมีความสุขเช่นกับอุบาสิกาผู้เป็นอริยสาวกเนนะนะเห็นอุบาสกที่เป็นสาวกทำไะคนเราอื่นจะได้ความสุขเช่นกับ อุบาสกที่เป็นพุทธสาวกทั้งหลายอนะเห็นผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันทำไงสัตว์เราอื่นจะได้เป็นพระโสดาบันทำอย่างไรสัตว์อื่นจะเป็นพระสกทาคามีเป็นพระนาคามีเรียกว่าเอาผู้มีความสุขมาเป็นเครื่องเปรียบแล้วน้อมนําอีกฝ่ายหนึ่งให้มีความสุขเช่นกับผู้นั้นเนี่ยนะเช่นว่าอย่างว่าพอเห็นอุบาสิกาก็นึกถึงอุบาสิกาที่เป็นพระพระโสดาบันเป็นต้นขอให้อุบาสิกาเหล่านี้ได้บรรลุมรรคผลเช่นกับ อุบาสิกาเหล่านั้นอันนี้คือความแผ่เมตตาสำหรับพระโพธิสัตว์ที่ยังใจยังไม่มั่นคงหมายเขาว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ความสุขอะไรจริงๆหรอกแต่ก็รู้ว่ามีผู้ที่เขามีความสุขอยู่นะแล้วก็น้อมว่าขอคนทั่วไปพึงเข้าถึงความสุขเหล่านั้นอย่างเช่นที่เราคล้ายๆกับอย่างคำที่เราฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูธธรร้ทำใดเป็นที่พ้นทุกประสบแต่ความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้ประสบความสุขเหล่านั้นพระปร เ, เจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดที่มีแต่ความสุขขอให้สัพพะสาทั้งหลายบรรลุถึงสุขเหลา่านั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอริยะทั้งหลายที่บรรลุสุขขอให้สัพพะสาทั้งหลายบรรลุสุขเช่นนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติประสบความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายปฏิบัติชอบประสบความสุขเช่นกับพระโพธิสัตว์เช่นนั้นอันนี้หมายถึงว่าคือพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้แปลว่าโอ แบบชาติสุดท้ายทุกองค์อนะไม่ใช่เนี่ยนะก็ก็อย่างว่าก็อย่างตลอดระยะเวลาที่ที่เป็นไปเนิ่นนานในสังสารวัฏเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปคบปาประมิตรนิวรมมันกลุ่มรุมเป็นต้นใจก็เศร้ามองเมื่อตัวเองใจเศร้ามองแต่ก็รู้นะว่าผู้ที่เขามีความสุขเป็นเช่นไรก็น้อมให้สัตว์อื่นเข้าถึงความสุขเช่นนั้นเนี่ยนะเพราะว่าใจของท่านเองถึงท่านยังไม่พ้นทุกข์แต่ก็มีจิตใจฝักใฝ่ที่จะช่วยให้ผู้อื่น ทนจากความทุกข์อันนี้สําหรับพระโพธิสัตว์ที่ยังมีฐานไม่มั่นคงเขาบอกงั้นพื้นฐานไม่มั่นคงเท่าไหร่ถ้าพระโพธิสัตว์ที่อยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงแล้วท่านมีความสุขในอ ะ, ะมีความสุขอยู่ด้วยปีติปัสสัตที่สุขสมาธิอยู่ด้วยยถาภูตยานทัศนะสมถาวิปัสนาอันเกิดที่ตัวเองเนี่ยบรรลุคุณวิเศษก็น้อมว่าขอคุณวิเศษเหล่านี้จงมีแก่สัตว์ทั้งหลาย เรามีปีติเช่นใดขอให้สัตว์เหล่าอื่นมีปีติเช่นนั้นเถิดเรามีปัสสัตที่มีความสงบทางกายและใจอย่างไรขอให้สัตว์เหล่าอื่นเขามีปีติเช่นนั้นเถอมีปัสสัตที่เช่นนั้นเถิดเรามีความสุขอย่างไรขอให้สัพสัตทั้งหลายมีความสุขเช่นนั้นเถอเรามีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเช่นใดขอสัตว์ทั้งหลาย พิ่งมีสมาธิเช่นนั้นเราทั้งเราเป็นผู้มีปัญญาอันนะทั้งโดยทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมีวิปัสนาญาณทั้งหลายอย่างไรขอสัพพะสาทั้งหลายจงมีปัญญาเช่นนั้นเธออันนีท่านเป็นผู้มั่นคงแล้วเมื่อมีความมั่นคงเราเอาตัวเองเป็นพยานเอาเป็นพยานในความมั่นคงพยานในความสุขว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมจริงเป็นผู้ที่มีความสุขเราประสบสุข ที่เกิดจากปีติปสัสสติสุขสมาธิยะถาภูตยานัทนะหรือสุขที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาอย่างใดขอสัตว์ทั้งหลายเพึงได้รับความสุขพึงประสบสุขด้วยศีลสมาธิปัญญาเช่นนั้นเถิดขณะเดียวกันเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่มีใจเมตาน้อมนําประโยชน์สุขเข้าไปให้แกสัตว์สัตว์ ท, ทั้งหลายมีใจกรุณาต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ย พ้นไปจากความทุกข์พื้นฐานสัตว์ในโลกเนี่ยนะสัตว์ในโลกที่จมอยู่ในสังสารทุกข์ที่ใหญ่จมอยู่ในกองทุกข์ใหญ่เขาบอกงัน้นเรียกว่ามหาสังสารทุกข์เขาบอกงัน้นมหาเล่าว่าใหญ่มากแต่ละคนเนี่ยทุกแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะเอาคิดง่ายๆว่าถ้าเราเอาปัญหาหนักอก ของแต่ละคนตลอดชีวิตของแต่ละคนมาถมไว้ที่ใจเราเนี่ยนะฟังดูแล้วมันจะเศร้าขนาดไหนก็เราว่าเรื่องที่คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยนะนั่งฟังเหอะ3มวันสามคืนก็ไม่หมดไม่สิ้นก็ต้องฟังจนตลอดชีวิตเนี่ยนะเพราะแต่ละคนเนี่ยมันทุกข์ตลอดชีวิตน่ะนะตลอดชีวิตมันมีสุขข้างไหนบ้างเนอะมันก็มีสุขไม่เท่าไรนะมันมาหาสังสารวัตว่างังน คำว่าทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยทุกข์ว่าอะไรทุกข์เพราะชาติชรามรณะโศกปริเทวาทุกขโทมนัสและอุปาญาตไม่แค่นั้นนะยังทุกข์เพราะกรรมทุกข์เพราะกิเลสเนี่ยนะทุกข์เพราะกายทุจริตของตัวเองทุกข์เพราะวิจีทุจริตทุกข์เพราะมโนทุจริตทุกข์เพราะเบียดเบียนตัวเองทุกข์เพราะสัตว์อื่นเขาเบียดเบียนทุกข์โดยประการต่างๆนะทุกข์ที่เขาทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้เป็นต้น อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าทุกของสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์นรกทุกอะไรบ้างทุกขเวทนาลําบากแสนจะเจ็บปวดท่านบอกอุเบกขาเวทนากับโสมนัสเวทนาบางครั้งที่มีในสัตว์นรกเนี่ยนะเอาบอกอภโหหาริกเหมือนนั่มีประโยชน์ถามว่าในน้ําเค็มเนี่ยนะในในทะเลนี่มีน้ําจือดอยู่ในนั้นผสมอยู่ไหมเอาจะดื่มเมื่อไหร่เหม็นจืดสักทีอะ เขากว่าต้องกลั่นออกมานะเขาบอกว่าชั้นใดทุกในนรกก็มีทุกในนรกก็มีสุขอยู่บ้างแต่ว่าแห ม, มต้องกลั่นออกมานะกว่าต้องมาแยกแบบระดับแยกโน่นอนะยิ่งก็แยกดีเอ็นเอนะแยกละเอียดกว่านนะั้นอีกจะเออมันก็มีสุขอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะแต่ว่าแหมมันคิดยังไงมันก็ทุกเกือบจะทุกรุ่นล้วนขว า, างกันนะลำบากกล้านักเผ็ดร้อนที่เกิดจากการตัด เพราะในนรกนี่ไม่ใช่ว่าแต่นะเคยสับในโลกอยู่สมัยเป็นมนุษย์เคยสับฉับฉับฉับฉันใดแต่อยู่ที่นั่นก็ถูกสับฉันนั้นเนี่ยนะถูกพ่าถูกทําลายถูกภูเขาเอันนะเช่นว่าเผ็ดร้อนก็คือถูกเผาเนี่ยนะแล้วก็การตัดก็คือเขาถากมีการถาหรือมีการทําลายการผ่าหรือบดเอาภูเขามาบดเลยแหละแล้วก็ถูกไฟเผาอยู่ในนรกเป็นต้นเห็นความทุกข์ของเขาก็ว่า ทำไฉนเนาะสัตว์ในนรกจะได้พ้นไปจากความทุกข์อันนี้เป็นกรุณาทำไฉนเนาะสัตว์นรกทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขเนสุขที่มาจากพอกซัพย์สุขที่มีอริยซัพย์สุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลแค่ว่ามีใจเมตตามีใจกรุณาแม้ในเหล่าสัตว์นรกทีนี้สัตว์เดรัจฉานแหะสัตว์เดรัจฉานสเสวยทุกข์หนักด้วยมันโกรธกันและกันเบียดเบียนกันและกันทําให้เดือดร้อนแก่กันและกันว่า เพราะว่าพวกเดรชานทั้งหลายเนี่ยนะอย่างมันก็ทะเลาะกันประจําเลยใช่ไหมมันทั้งหาทั้งไม่แค่เห่าแล้วมันกัดกันตระงมไปหมดเลยนะขันหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยการทะเลาะบ่แว่งกันมดเนี่ยใครเคยเห็นศึกมดมันทะเลาะกันบ้างมดนี่มันทะเลาะกันเนี่ยนะก็ไตายกันเปลื่อนกันนะไม่น่าเชื่อตัวก้นิดเดียวแล้วมันกัดกันนกมันตีกันนกมันจิกกันไก่มันจิกกันเป็นต้นวัวควายเป็นต้นมันทะเลาะแก่งแย่งกัน ท่านมูสัตเดรชาญที่ทําร้ายแก่กันและกันแล้วมนุษย์ที่ต้องไปทําลายไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่เหล่าสัตว์เดรชาญความลําบากเหล่านั้นเนี่ยนะทำไฉเหล่าสัตว์เดรชานเหล่านั้นจึงจะพ้นไปจากทุกทําำไฉเขาจะพ้นไปจากเดรชาญทั้งหลายทําำไฉเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมรู้อริยศสัสจะทำบรรลุมรรคผลเป็นต้นเครียกว่ามีใจเมตตามีใจกรุณาต่อสัตว์เดรชานทั้งหลาย นี้ก็พูดถึงพวกเปรตท่านก็มีจิตใจที่กรุณาต่อเปรตมีเมตตาต่อเปรตเช่นเปรตที่นิชามตันหิกะเปรตก็คือเปรตที่อดอยากหิ้วหอยเนี่ย น, นะเอ่อกล่าวว่าอดอยากหิ้วหย้ยลำบากด้วยลมด้วยแดดแผดเผาในร่างกายมีกลุ่มมาลายไฟเนี่ย น, นะเรียกว่ามีร่างกายเนี่ยเหมือนกับไฟเนี่ยแผดเผาเหมือนกับพวงมลาลัยเรียกว่าระสวมพวงมลาลัยอ่ะนะสวมพวงมลาลัยไฟเนี่ยเผา ร่างกายก็สูบซีดชูมือร้องขออาหารของผู้อื่นเช่นน้ำลายที่เขาขายทิง้งถ้าจะกินก็กินอะไรใครโอ๊ยอะไรนะสเสลตเปื่อนคอถมลงไปพวกนี้ก็มาแย่งกันกินอยู่นั่นแหล ะ, สะเสวยทุกใหญ่เพราะความอดอยากหิวโหยถึงอยู่ไม่ในแม่น้ำแต่ก็ไม่ได้ดื่มน้ำก็เรียกว่าเหมือนกับปิดปากเอาไว้สนิทเลยนะถึงจะอยู่ใกล้น้าถ้าปิดปากก็เรียบร้อยเนี่ยนะใช้จมูกดูดได้ไหมถ้าจะยากนะหมอยากนะ ดูดธรรมดาเลยนะไม่ใช่สายยางเลยนะใช้จมูกดูดน้ําดื่มเข้าไปนะยากก็ได้ปิดปากเรียบร้อยแล้วก็ยากแล้วเนี่ ย, น, ยนะทำไงเราเปรตทั้งหลายจะได้พ้นจากทุกข์ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปรตทั้งหลายเปรตเหล่านั้นจะได้ถึงความพ้นไปจากความทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือทําำไงว่าเปรตทั้งหลายจะได้ประสบแต่ ความสุขและความเจริญท่านเหล่านี้ก็จ ะ, ะแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปรตทั้งหลายไปให้แก่อัมนุษย์ทั้งหลายเขาเหล่านั้นจะได้พ้นจากความทุกข์เขาเหล่านั้นจะได้ประสบความสุขเมื่อเขาประสบความสุขแล้วเขาก็บุญเป็นปัจจัยจะทําให้เขาได้ฟังธรรมจะได้พ้นไปจากทุกข์หรือแม้กระทั่งทุกข์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายทุกข์ในหมู่มนุษย์ย่อยยับใหญ่หลวงมีการสแสวงหาอาหารเป็นเหตุ แแสวงหาอาหารแต่ละวันแต่ละวันสบายไหมเนี่ยนะสแสวงหาอาหารแต่ละมือะมอนะ้อแต่ละมื้อเนี่ยนะก็แต่ละคนเนี่ยนะพอตกเย็นขึ้นมานี่เพลียกันต า, ต, าตามกันเนี่ยนะเพลียกายบัง่งเพลียใจบ้างเพลียทั้งร่างกายและจิตใจกันบ้างเนี่ยนะคอแหบคอแห้งกันมาหมดเลยนั่นนะก็เพราะการสแสวงหาอาหารเป็นเหตุ น, น่นแหละหรือบางทีเนี่ยนะถูกอกุศลกรรมเป็นต้นที่แรงกล้า ม, มาเบียดเบียนครอบงําหรือบางทีเนี่ยนะกว่าจะแสวงหาอาหารบางคนก็ต้อง บอกว่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ได้กินถ้าไม่ได้ลักก็ไม่ได้กินถ้าไม่ขโมยก็ไม่ได้กินเพราะนันถามว่าไอ้ผลของการลักการขโมยการปล้นเป็นต้นเนี่ยเขาจะเอาไปบูชาไหมไม่เขก็เอาไปลงโทษโดยประการต่างๆมีการตัดมือตัดแขนตัดจมูกตัดหูหรือว่ามีการเสียบมีการประหารเนี่ยนะมีการเข็นมีการฆ่าการทุบการตีหรือแม้กระทั่งเกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยนะหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะ คนไข้ในโลกในประเทศไทยนี่มีกี่เปอร์เซ็นต์หมอมันจะป่วยกันทุกคนนะมั้งคนละโรคสองโรคในอย่างน้อยมีโรคประจําตัวหนึ่งโรคก่อนนะนะแต่ถ้าเอาหลายๆโรคคุณมาคูณกันไปเนี่ยโอ้โหถ้าหกสิบล้านอาจจะโรคเป็นร้อยล้านโรคอ่ะบางันเถอะเพราะแต่ละคนนี่มีโรคหลายอย่างอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยนะนึกถึงหัวก็ปวดหัวนึกถึงท้องก็ปวดท้องก็แสดงว่าสองโรคไปแล้วใช่ไหมก็มีโรคเต้ไปหมดเลยบางัน พันโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอดอยากหิวกระหายโรคปวดโรคเมื่อยเป็นต้นหรือโรคเรียกว่าผิวพันสามน่าเกลียดเนี่ยนะก็เป็นรูปร่างที่น่าเกลียดก็าอกว่าบางคนเนี่ยเราเห็นหน้าเห็นครั้งเดียวพอแล้วไม่อยากพบอยากเห็นอีกแล้วต่อไปเนี่ยนะเออก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้เห็นบางคนเนี่ยโอ้เห็นครั้งเดียวก็พอแล้วแต่เห็นบางคืนเนี่ยเราก็นึกว่าโอยผีหลอกแน่นอนบอกยังยังไม่ตายว่างั้นบางคนเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆเสียง เขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะโครงสร้างทางหน้าตามันมีปัญหามากเสียงเนี่ยนะถ้าพูดกลางคืนแล้วก็ว่าผีหลอกแน่นอนนะ น, นะรูปก็ใช่เลยนะเสียงก็ใช่อีกนะโอ้ยโกโยแนบเลยนะทั้งทั้งนี้ไม่เคยเห็นผีนะแต่เห็นความน่าเกลียดแล้วก็ทําใจไม่ได้นะึกว่าเป็นผีเป็นต้นมันมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนทั้งหลายเนี่ยนะนะอาศัยอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเราสังเกตบางประเทศที่อดอยากหิวโหยเนี่ยนะ เรียกว่าหน้าร้อนก็ร้อนระอาไม่มีที่พอจะเป็นร่มเงาหน้าฝนน้ําก็ท่วมตายกันเปลื่อนเหมือนมดเหมือนแมลงเนยนะและขณะเดียวกันเนี่ยนะคนจนกลุ่มบางกลุ่มก็ต้องเเสวยด้วยการนําไปของคนอื่นคือชีวิตเนื่องด้วยคนอื่นผู้ที่ใช้ชีวิตเนื่องด้วยคนอื่นแล้วแต่ใจคนอื่นเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนนะแล้วแต่คนอื่นจะสั่งไม่รูว้ว่าเขาจะด่าน้อยนะะักนะคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ชมทีแล้วก็ใช้งานชมแล้วก็ใช้งานทําไม่สําเร็จก็ให้อภัยแล้วก็กลับไปทไําใหม่หรือไม่ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปทํารับใช้แทนเป็นต้นยากเนี่ยนะก็นั้นทุกข์ของคนที่อยู่ระดับล่างก็ทุกข์ไม่ใช่น้อยทุกข์ที่จะต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ทีเรียกว่าหรือทุกข์เศษเศษของหมู่มนุษย์ทั้งหลายเศษกรรมที่มาจากอบายเนี่ยนะ เศษกรรมทั้งหลายที่มาจากอบายเนี่ยนะคือเคยตัวเองเนี่ยทุกข์หนักในอบายอยู่แล้วเศษกรรมเหล่านั้นก็ทําให้มาทุกข์ในหมู่มนุษย์เช่นอดีตเนี่ยเคยตกนรกอยู่แล้วเศษเศษกรรมเหล่านั้นก็มามาให้ผลในปัจจุบันเนี่ยนะก็ทุกอันนี้ทุกของพวกมนุษย์ทั้งหลายทีนี้ถามว่าทุกของพวกเทวดาเทวดามีทุกข์บ้างไหมก็บอกว่าทุกข์ที่มีความเร่าร้อนที่เกิดจากราคะอุ้ยเทวดาทั้งหลายในไปอ่าน อ, อะไรนะี สูตรหนึ่งสักกะปัญหาสูตรเนี่ยนะปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยหลงรักหลงรักลูกของอสูรท่านหนึ่งอ๊ย้ยเศร้าใจวันๆหนึ่งก็ไม่ได้ทำมาอะไรแล้วก็นึกถึงแต่นางที่ตัวเองคิดถึงฝ่ายฝันอยู่นั่นแหละบอกว่าเร่าร้อนด้วยราคะเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายก็เร่าร้อนด้วยราคะก็ทุกข์เพราะราคะมันแผดเผาบางทีเนี่ยนะทุกข์เพราะการบริโภคที่เรียกว่าบางทีนี่มันเพลนจนลืมทานอ่ะ ลืมทานแล้วก็ตายเทวดาเนี่ยนะเขาบอกว่าร่างกายนี่เบาบางแต่ไฟธาตุรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้อาหารผิดเวลานี่ก็เรียบร้อยตายเลยเนี่ยนะแต่ถ้ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยร่างกายมันมีกําลังแต่ธาตุไฟไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงอาหารอดได้สักเจดวันก็ทําไม่จริงๆไม่หนักหนาจริงก็ไม่ตายนะไม่เหมือนเทวดาเทวดาเลยเวลาบริโภคนี่นะบริโภคลืมแค่ว่าเที่ยวจนเพลินก็ตายเท่านั้น ก็เรีย ว, ว่าบริโภคผิดปกติเป็นต้นหรือมัวแต่โกรธกันเนี่ยนะเทวดาเนี่ยมองสบตากันด้วยสายตาแห่งความโกโรธตายทั้งคู่นะก็เรียก ว, ว่าพวกเทวดาที่ทะเลาะกันแล้วก็ตายนะก็มีหลายกลุ่มหลายประเภทนั้นความเดือดร้อนความไม่สงบที่สมด้วยไฟคือราคะสมด้วยไฟคือโทสะที่เดือดร้อนของพวกกา ม, มาวาจรเทพเนะเรียก ว, ว่าไฟคือราคะเป็นต้นเผาจิตเผาใจ หรือแม้กระทั่งรูปประพบอารูปรประพบหียอว่ารูปาวจรเทพอรูปาวจรเทพก็มีทุกทุกยังไงถึงจะเป็นไปได้นานมีชีวิตยืนอยู่ยาวนานก็เหมือนกับนกที่โฉบเคำว่านกถลาลมเคำว่านกถลาลมก็คือแบบอะไรนะสยายปีกเคกว่าบินเสร็จแล้วก็ถลาลมถามว่าถลาแบบนั้นจะสุกอยู่นานไหมไม่นานเนี่ยนะถ้ขนาดนั้นนี่ถ้าจะต้องไปนี่นก็ต้องบินอีกเคำว่ากระพือปีกบ่อยมากจึงจะถลา ทลาลมได้ต่อไปอีกอนะหรือสุขของพรมทั้งหลายก็เหมือนกับลูกศรที่ถูกยิงขึ้นไปเท่านั้นเองมันก็ลอยอยู่ระยะหนึ่งในที่สุดก็ตกลงมาเพราะพบแม้จะเป็นรูปประพบหรืออรูปประพบก็มีความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นที่สุดก็ไม่ล่วงพ้นชาติชรามรณะไปได้เลยยังความสังเวชอย่างใหญ่หลวงให้เรา ม, มหาสังเวชค่ะ มหาสลดใจก็ไสลดใจยิ่งมากก็ได้ว่าพูดแบบภาษานึ่งก็ตกใจมากเลยนะเห็นความทุกข์ร้อนของนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเห็นความทุกข์ความยากความลําบากของหมู่มนุษย์เห็นความเร่าร้อนด้วยกิเลสของเทวดาและก็เห็นความไม่ยั่งยืนของพรหมทั้งหลายก็มีใจเมตตาวักชาชนายสัตว์เหล่านั้นจึงญกับประสบแต่ความสุขที่เป็นบรรลุมรรคผลนิพพานทําชนายสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้พ้นจาก ความทุกข์เจริญโดยไม่เจาะจงเขาเรียกว่าเจริญเมตตาโดยไม่เจาะจงเจริญกรุณาโดยไม่เจาะจงมุ่งให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มุ่งให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขผู้สะสมโพธิสมผานคือคือสะสมสัมภาระที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตามลําดับอย่างนี้บารมีย่อมเต็มเปี่ยม ถ้าสะสมอย่างนี้ไม่เลิกไม่ราไม่ท้อไม่แท้ในที่สุดครัวอะไรนะน้ำเนี่ยถึงจะหยดทีเราหยดก็ยังเต็มตุ่มได้ฉันใดบารมีเหล่านี้ที่สั่งสมชาติแล้วชาติเล่าก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉันนั้นท่านทําบุญโดยลําดับทำอย่างเคารพเคารพเนี่ยแปลว่าทําสมมติว่ากล่าวเคารพแปลว่าทําอย่างจริงจังทําอย่างจริงใจทําอย่างชนิดที่เรียกว่าโอ้เอาใจใส่จริงๆเลยนะและก็อย่างติดต่อไม่ใช่บอกว่า อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ไม่ใช่เนี่ยนะทำอย่างต่อเนื่องทำจริงทำจังมากแล้วก็ทำต่อเนื่องทำแบบไม่ย่อหย่อนไม่ย่ อ, ยอทอ้อยังความอุตสาหะให้เป็นไปก็เลยบำเพ็ญวิริยะบารมีให้บริบูรณ์เนี่ยนะเพิ่มพูนบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีทั้งสิบจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อีกอย่างหนึ่งความเพียรประกอบด้วยความขวนขวายต่อความเป็นพระพุทธเจ้าอันเป็นอจินไตย คือพุทธวิสัยทั้งหลายเนี่ยเป็นอจินไตยผู้ที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงภาวะที่เป็นอจินไตยเนี่ยจะต้องทำขนาดไหนพรานบุญบารมีทุกอย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการสะสมคุณอันหาประมาณไม่ได้สะสมทานเนี่ยนะวัตถุทานที่พระองค์ให้ไปเนี่ยนะให้น้ำเป็นทานมากกว่าน้าให้น้ำทะเลอยู่แล้วล่ะให้ข้าวเป็นทานเนี่ยนะถ้ามากองรวมกันก็มากกว่าแผ่นดิน ก็ให้เรียกว่าให้ไม่มีที่สุดให้ไม่มีประมาณเพราะแผ่นดินท่านยังยกให้เลยนะ่างั้นจะเรียกว่ามากกว่าแผ่นดินได้มันมากจริงๆเลยนะการให้พันศาสมบุรณ์เนี่ยหาประมาณไม่ได้ภัยบูญโอฬารยิ่งนะักโอฬามนนะมันยิ่งใหญ่มากนะปราศจากความเศร้ามองทำด้วยจิตใจที่ไม่เศร้ามองถึงจะเศร้าบ้างจะมองบ้างก็รีบกำจัดทันทีเรียกว่าทาแบบปราศจากมนทิน ไม่มีข้อเปรียบไม่รู้จะเอาใครมาเปรียบนะนอกจากเอาพระโพธิสัตว์ด้วยกันเท่านั้นมาเปรียบพันธมิตอย่างไม่ไม่ถูกอุปกิเลสคือความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาความตารณีเป็นต้นเนี่ยมาครอบงําท่วมทับก็ไม่มีพันบุญกุศลคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สะสมนั้นมีอนุภาพเป็นอ จ, จินไตยคิดไม่ถึงคาดไม่ถึง แม้แต่ชนเป็นอันมากาก็ยากที่จะฟังว่างั้นแต่ยากที่จะฟังว่างั้นแม่ก็บางคนเขาบอกโอ้ยฟังแล้วก็ทําใจไม่ได้ใครจะไปทําได้ขนาดนั้นโอ้เลิกเลยว่างั้นน่ะเขาเรียกว่าทําใจไม่ได้บอ่าอ้ยใครจะไปทาอะไรขนาดนั้นฉันตามตามไม่ได้หรอกเลิกเลยเขาบอกงั้นบอกเขาไม่ได้พูดให้ฟังเพื่อให้ทําตามแต่พูดให้ยังใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่จะทําทตามได้ก็อนุโมทนาด้วยว่างั้นแต่ถ้าทําตามไม่ได้ก็ยังใจให้เลื่อมใสว่ า, าศาสดาของเราเป็นเช่นนี้เนี่ยนะ นั้นผู้ที่เป็นครูบรมครูครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ใช่สะสมมีแต่ปัญญาอย่างเดียวแต่ที่แท้ท่านสะสมทั้งทานศีลสมาธิปัญญาวิมุตตานะสะสมทานศีลเนคขมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีสิบอุ ป, ปปารมีสิบปรมัฏฐปรมี10บมหาบริจกักหอธิฐา น, นธรรมนสีจริยาสาเป็นต้นเนี่ยนะ ตลอดระยะยืดยาวนานที่เรียกว่าแม้แต่คนทั่วไปฟังยังยากไม่ทั้งพูดถึงการปฏิบัติตามอภินิหารจิตุบาท3พุทธภูมิ4ี่สังคหาวตถุ4มีความกรุณาเป็นรถอย่างเอกก็แสดงว่าการทำคุณธรรมทุกอย่างเนี่ยนะด้วยใจที่กรุณามุ่งจะบำบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็น เป็นหลักเนี่ยนะถือเอาการบำบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นประมาณบุญเหล่านี้ทนต่อการเพ่งอันเป็นวิเศษสปัจจัยด้วยการทําให้แจ้งในพุทธธรรมพันธุบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นจิตตุบา ท, ที่เป็นบุญเป็นกุศลพุทธภูมิทั้ง4 ส, สังหาวัตถุสกรุณาที่มุ่งจะปลดเปลื้องต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการใคร่ครวญวิธีการสั่งสมบุญกุศลวิธีช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข เป็นปัจจัยพิเศษที่จะทําให้แจ้งพุทธธรรมเป็นปัจจัยพิเศษที่จะทําให้แจ้งธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเช่นพุทธธรรมพุทธญาณทั้งหลายพันบุญเหล่านี้ไม่ใช่ทําแบบรูปไห์ในพุทธธรรมคือไม่ใช่เพียงแต่แบบอะไรนะเป็นรู ป, รปลู่คลำคลำไม่ใช่ไม่เข้าไปเพียงรูปไห์ก็หมายความว่าไม่ใช่แบบป่าแป้งอ่ะนะแค่รูปแค่ไหลแค่นั้นไม่ใช่นะเป็นการทําอย่างจริงจังทําอย่างทุ่มเทอย่าง สุดความสาคัญในสัตว์ทั้งปวงว่าเป็นบุตรที่น่ารักเรียกว่าปียบุตรใช่ไหมปียบุตรแปลว่าบุตรสุดที่รักงั้นมองเห็นสรรพสัตว์ว่าปียบุตรบุตรสุดที่รักว่าจะช่วยสัตว์ให้เขาคือลูกของเราเราจะช่วยลูกของของเราได้ยังไงเนี่ยนะถ้ามองเห็นทุกคนเป็นลูกที่จะช่วยให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะถามว่าผู้เป็นพ่อแม่นนในจเน็ตในี่ขนาดไหน บอกว่าไม่กระหายด้วยสังสารทุกเนี่ยนะไม่กระหายกระหายแปลว่าหิวใช่ั้ยท่านบอกว่าท่านก็เอียนในวัตตะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทนทนด้วยการุณานี่นะทนด้วยการุณาอยู่นั่นแหละแต่ด้วยปัญญานี่แหละไม่ไม่ได้ต้องการทุกเบื่อหน่ายในกองทุก์แต่ก็ทนอยู่ด้วยการุณาขณะเดียวกันยังมีการบริจาคทายธรรมเนี่ยนะทยธรรมเช่นโดยพระสูตรก็ อะไรข้าวน้ำผ้ายวดยานภาหนะดอกไม้ของหอมประทีบคมไฟเป็นต้นถ้าโดยพระพิธ ร, รมก็ให้รูปให้เสียงให้กลิน่นให้รสให้โพธาะและให้ธรรมะท่านในแย่พระวินัยก็คือให้เครื่องนุ่งหม่มให้อาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานมีใจยินดีด้วยการบริจาคเรียกว่าใจของท่านเนี่ยนะยินดีด้วยการบริจาค นึกถึงชาติที่เป็นพระเวสสันดรบอกว่าช่วยดูทางหน่อยนะเดี๋ยวพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรขับรถไปใช่ไหมบอกพระนางมาัตสีบอกดูหน่อยนะน้องเดี๋ยวจะมีคนมาขอเนี่ยนะครับจะช่วยบอกพี่ด้วยจะได้หยุดรถจะได้ให้ต่อเนี่ยนะมันก็คือมีใจที่จะให้ขนาดนั้นเนี่ยนะก็คือเพราะเป็นเป็นนักให้ไม่อินในการให้ถ้าอินในการให้เมื่อใดก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคือใครคือคนที่ให้จริงๆให้ทั้งมนุษย์สมบัติให้ทั้งสวรรค์สมบัติให้นิพพานสมบัตินะ่ะพระพุทธเจ้าคือให้สมบัติสามแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพุทธ้ายังมีใจยินดีในการบริจาคอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอธิษฐานศีลเป็นต้นอธิษฐานศีลเนี่ยนะถามว่าอธิษฐานศีลเป็นยังไงก็คือสมาทานให้ใจประดิษฐานอยู่ใน ศีลทั้งหลายเนี่ยนะทำฉะไงใจจะได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้ออธิษฐ า, า, านสมาทานศีลแต่ละข้อให้มันเรียกว่าย่างรากลงลึกถึงขนาดที่เรียกว่าผิดศีลไม่ได้มีความไม่หวั่นไหวในอธิษฐานนั้นเมื่อสมาทานศีลอธิษฐานศีลเช่นสมาทานอธิษฐานอุโบสถแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวที่จะล่วงละเมิดอุโบสถ มีปีติปราโมทในบุญกุศลมีปีติปราโมทมีความเอิบอิ่มใจในบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลระลึกถึงทานศีลของตัวเองแล้วก็อยู่ด้วยความปราบเพิ่มเนี่ยนะมีจิตใจที่น้อมไปในวิเวกเนี่ยนะทั้งกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกมีการประกอบเนืองๆซึ่งฌานคือลักขณูปนิชฌานอารมณูปนิชฌานคือสมถะและวิปัสนานั่นเอง ไม่ติเตียนธทำที่ไม่มีโทษเนี่ยนะทำใดที่ไม่มีโทษก็ไม่ติเตียนแสดงธรรมประกาศอริยสัจธรรมตามที่ได้ฟังมาด้วยอัธยาศัยเกื้อกูลต่อผู้อื่นเมื่อเขาฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะได้พ้นจากทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในสังวรวินัยและปะหานวินยัยโดยปกติแล้วเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงในการริเริ่มแปลว่าเป็นคนที่ริเริ่มในการ ทำบุญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคือคำว่าริเริ่มแปลว่าไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้ก็พอแล้วไม่คิดจะทำอย่างอื่นหรือทำเท่านี้ก็พอแล้วแต่มีแต่ความคิดริเริ่มทาใหม่ๆเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ที่มีความฉลาดแล้วก็มีความกล้าบางคนเนี่ยฉลาดแต่ไม่กล้าบางคนกล้าแต่ก็ไม่ฉลาดนี้ทั้งฉลาดและกล้าไม่มีการทาความเสียหายโดยการว่ากล่าวร้ายผู้อื่นเนี่ยนะ กระวัลไม่ทําความเสียหายในผู้อื่นทั้งนั้นไม่ทําความเสื่อมเสียให้แก่ผู้อื่นก็คือเป็นคนที่กําจัดความชั่วร้ายให้แก่ผู้อื่นนําแต่ประโยชน์และความสุขเข้าไปให้ผู้อื่นเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในวจีสัจจะญาณสัจจะวิรติสัจจะชํานาญในสมาบัติคือมีวสีในสมาบัติเนี่ยนะวสีหมีกําลังในอภินญารู้ลักษณะทั้งสามอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตา สะสมบารมีเพื่อโลกุตระมัก น, นะเช่นสะสมอะไรบ้างสะสมสติปทานสมมัิปทานอิทิบาทอินทรีพระละโพชงเพื่อก้าวลงสู่โลกุตระธรรมก้าวมัตสีพลนสีและพระนิพานปฏิบัติเพื่อสะสมโพที่สมผานทั้งหมดเทวะสาเร็จทั้งหมดบุญกุศลที่ทำได้อย่างนั้นเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งวิริยะ พระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าลัทธิอีกลัทธิหนึ่งก็ได้เรียกว่าลัทธิวิริยะวาดวิริยะวาทีเชื่อความเพียรเป็นคนที่เชื่อเรื่องความเพียรเรื่องความพยายามเรื่องความอุตสาหาพยายามบากบั่นอย่างมั่นคงเนี่ยนะถามว่าทาบุญด้วยความภาคเพียรพยายามอุตสาหาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ความปรารถนาจนถึงเป็น พระพุทธเจ้าโดยไม่สละทิ้งความเพียรทําความเพียรให้บริบูรณ์ทําความเพียรโดยลําดับโดยต่อเนื่องทําด้วยความเคารพเป็นการทําความเพียรเพื่อเพิ่มคุณวิเศษให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นผลความเพียรที่กล่าวแล้วจึงสมบูรณ์โดยลําดับทีนี้ความเพียรจะดํารงอยู่ได้อย่างนั้นก็เพราะมี ขันติเนี่ยนะมีขันติดํารงมั่นอยู่ในสัตว์จะอาศัยอธิษฐานสมาทานทำบุญใหม่ๆในการให้ทานรักษาศีลเจริเนฆามะภาคเพียรด้วยวิริยะทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยอาศัยวิริยะเป็นตัวกระตุ้นก็คือเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มคนที่มีความเพียรพยายามเท่านั้นแหละจึงจะมีความคิดที่ริเริ่มส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติ บ, ตบารมีก็คงต่อวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้วัน